ตัวจากที่ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปราโตโคโสะและโยนิโสมนั ส, สิการโดยพ่อท่านภูธิรักเมื่อวันที่25มกราคม2535ณนะพุทธสถานสติอโสกเขาเชิญท่านจิตารับฟังได้นะบัดนี้ สมนึกดีท่านพูยังไยดีอยู่ทั้งหลายเอาวันนี้อาตมาตั้งใจจะเทศเจาะรายละเอียดถึงเรื่องปรโตโคสะและยนโยนิโสมนสิกานะเรื่องปรโตโคสะคือการจะต้องรู้ผู้อื่น รู้สิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวหรืออันอื่นๆไปไม่ใช่จมอยู่ในภพของตัวเองเท่านั้นแล้วเกี่ยวเนื่องกับโยนิโสมมณสิการคือจะเป็นคนแยบคายเป็นคนท่องแท้เป็นคนเนคนฉลียวฉลาดเป็นคนรู้รอบเป็นคนรู้ลึกเป็นคนที่ปฏิบัติมณสิการทำใจในใจของตนเองได้เก่งขึ้นเก่งขึ้น มันเกี่ยวเปี่ยวพันกันอันนี้เป็นธรรมะเรียกว่าธรรมะธรรมะองค์ที่สองะนรระเกิดสมาธิิด้วยเป็นธรรมะที่ถ้าไม่เกิดสมาธิิปารโตโคสะระโยนโณนิโสโมานสิกาเนี่ยสมาธินี้ไม่ได้หมายความว่าความเห็นที่ถูกต้องตายตัวอยู่ขั้นเดียว สมาธิทินี้มีลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นตามภูมิธรรมโสดาบันก็มีสมาธิทิในระดับโสดาบันสกิทาคามีก็จะมีสมาธิทิในระดับของสกิทาคามีอานาคามีก็จะมีสมาธิทิในระดับของอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสมาธิทิในระดับอาหารหันต์สมาธิทิินี้ขอยืนยันขอบอกกล่าวกันว่าไม่ได้เป็นความเห็นหรือว่าความรู้ความเข้าใจ ที่ทะลุทะลวงพืวดเดียวโสดาบันก็มีความเห็นเท่ากับพระอาหารหันต์ไม่ใช่จะมีความเห็นหรือความเข้าใจในภูมิตามลำดับสมาธิทิเนี่ยจงเข้าใจจุดนี้ไว้สำคัญสาคัญด้วยนะ mm hmm. และอันนี้เป็นธรรมะองค์สองมีประโตโคสะหนึ่งมีโยนิโสมนศสิการอีกหนึ่ง mm hmm. เราฟังดีๆนะพวกเราก็ฟังมาแล้วล่ะเคยรู้เคยเข้าใจกันมาแล้วล่ะส่วนใหญ่นะ ทีนี้มันมีแนวลึกที่อาตมาเห็นว่ามันเป็นนามธรรมอย่างมากนะมันเป็นนามธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังภาษาแล้วเอาไปศึกษาไปศึกษาไปทดสอบไปปฏิบัติประพฤติดูแล้วจะจ ะ, จะเกิดความจริงเกิดของจริงจะเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งจริงนั้นขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะประโตโคสา บ, บอกแล้วว่าหมายความว่าเราต้องรู้ต้องเรียนต้องรู้จัก ต้องศึกษาในสิ่งแวดล้อมหรือในผู้อื่นอันอื่นๆไม่ใช่ว่าจมแต่ในพบของตนฟังความนี้ไว้ดีๆคนใดที่มีอัตตาอัตตานี่คือตัวกูของกูอัตตาในตัวกูมีพบในแต่ต่ตัวเองเนี่ยนะคนนี้แหละจะเป็นผู้ที่ไม่เกิดปรโตโคสะมันไม่รู้ง่ายนะมันไม่รู้ตัวง่ายๆนะ ไม่เคยรู้ตัวง่ายๆหรอกมันจะจมอยู่ในของตัวเองรู้อะไรอะไรของคนอื่น ๆ, ๆเนี่ยมันก็รู้ไปอย่างนั้นะถ้าคนที่มีนิสัยเป็นอัตตาเป็นนิสัยที่ไม่มีปรโตโคสะนิสัยไม่พยายามรับรู้คนอื่นเห็นใจคนอื่นมองในสิ่งอื่นที่โดยเฉพาะสิ่งที่ต่างไปจากตัวเองอุปทานไวยึดไวเป็นตัวกูเป็น อ, อัตตนิยาเป็นของกู จะเป็นความคิดนั่นแหละส่วนใหญ่โดยเฉพาะความคิดความเห็นเป็นความคิดความเห็นของตัวยึดถือลักษณะอย่างนี้ลึกถืออะไรอะไรของตัวเองว่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ถึงจะดีถึงจะถูกต้องเป็นความเห็นของตัวเองอยู่ของตัวเองเท่านั้นอัตตาอัตนติยาแท้ๆคนอย่างนี้ก็ตรงกันข้ามกับคนที่มีปรโตโขสะ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีประโตโคสาก็คือจะต้องเปิดใจเปิดจิตว่าเออเขามีอย่างนี้ดีของเขาเขามีอย่างนี้ดีกว่าที่เรายึดไว้อย่างที่เรามีด้วยซ้ำนะไอ้ที่เรามีเราเป็นนี่โอ้เขามีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเหนือกว่าซึ่งเราเองถ้าเผื่อว่ามีอัตตาแน่ๆอัตตานิยาแน่ๆแล้วนี่นะไม่มี ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าไม่มีตัวที่ปรตโตเป็นปรตโตโคสะจริงๆแล้วแล้วก็ไม่รับพู้อื่นจริงๆแล้วก็คนนั้นจมอยู่ตรงนั้นแหละจมอยู่ที่ของตัวจมอยู่ที่ตัวเองเข้าใจตัวเองยึดถือตัวเองเป็นตัวเองมีตัวเองได้แล้วมันก็ยิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญญาที่จริงไม่ใช่ปัญญาตัวเองมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของตัวเองไปลึกๆๆๆแล้วก็จะหลงทางไปตามภพของตัวเองได้ สัจจะที่เกิดขึ้นจะเป็นสัจจะลวงส่วนผู้ที่มีปรโตโขโศแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะมาเทียบมาเคี่ยวมาเทียบมาเคี่ยมยรับรู้ของตัวเองของผู้อื่นของตัวเองของผู้อื่นแล้วจะเปรียบจะเทียบจะเปรียบเทียบยิ่งหลากหลายยิ่งมากเรื่องมากราวยิ่งมีเหตุมีผลยิ่งมีของจริงความจริงจากคนอื่นๆใดๆด้วยมันก็จะทําให้เราเองยิ่งเกิดสมาธิิตัวเองก็ยิ่งจะ ละนายคลายไม่ติดยดึดปลดอัตตาปลดอัตนิยาปลดตัวตนปลดของตนปลดความเป็นความมีของตนมันจะยิ่งจะปลดจะปรงจะวางไปเรื่อยแต่อํานาาแห่งอัตตาอนานาจแห่งกิเลสอัตตาเนี่ยมันสูงสูงจริงๆแล้วไม่ค่อยรู้ตัวอย่างที่กล่าวแล้วอื มันจะเอาแต่ของพบของตัวเองที่ยึดที่ถือนี่แหละโดยเฉพาะยิ่งสอนกันว่าดูแต่ใจดูแต่จิตดูแต่จิตดูแต่จิตจให้เข้าไปในผวังดูแต่จิตตัวเองดูแต่จิตตัวเองแล้วก็ไม่ให้รับรู้คนอื่นไม่ต้องไปรู้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องอ่านข่าวไม่ต้องฟังโลกไปต้องรู้ให้ดูแต่จิตอ่านแต่จิตอ่านแต่จิตแล้วก็ทำจิตให้นิ่งนิง่งนิ่งทำให้จิตสงบสงบสง บ, สงบตามความรู้ตื้นตื้นตามฤษีสอนกันมามากมายก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอน เขาก็จะสงบในเจโตสมัต t ของเขาลงไปได้ได้จริงๆริงนะเขาหัดเขาฝึกแล้วก็ก็สะกดมันก็สงบระงับลงไปจริงจริงเหมือนกันแล้วก็ถือว่านี่แหละคือความเจริญทางธรรมสงบสงัดลดละวางโลกทิ้งโลกพ้นโลกแต่ที่จริงนะเ้าจมโลกจมในพบพบนีก่ก็คือโลกในตัวของเขาเองพบอะไรพบที่เขาคิดว่าสงบสงดัดหลุดพ้น เนความหลุดพ้นชนิดที่เขาถือว่าอันนี้คือความหลุดพ้นแต่แท้จริงเขาก็คือติดยึดติดยึดในพบของกูความเห็นของกูกูยึดอย่างเงี้ยกูถืออย่างนี้กว่ากูเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นพบที่มีแต่ตัวเองตัวอัตตาตัวเองตัวเองตัวเองตัวเอ ง, เองไม่มีอะไรเลยรู้โลกก็ไม่รู้จะรู้กิเลสจริงๆก็ไม่รู้โดยปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้โดยสภาวะที่แท้จริงหรอก เพราะว่าส่วนมากกดข่มส่วนมากตัดสะพานตัดประเภทที่เรียกว่าไม่มีสัมผัสไม่มีการรับรู้แล้วก็ลืมแล้วก็กดข่มอีกด้วยนอกจากลืมลืมมันไม่ได้พบไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ปะไม่ได้เจอไม่ได้อะไรกับใครแล้วก็ตัวเองก็มาจมอยู่กับตัวเองแล้วก็สะกดจิตสะกดไปสะกดสะกดไปสะกดได้อยอะไปแต่ร้อปีเลยสะกดได้มากกว่าร้อยปีอีกสะกดเอาด้วิธีนี้ ข้าพบข้ามชาติยังติตดติดนิสัยสะกดสะกดเก่งๆอย่างเงี้ยข้าพบพข้ามชาติก็ยังสะกดได้เก่งด้วยยังมีเลยสรุปแล้วก็เป็นอัตตาแล้วมันจะเฉลียวฉลาดได้ด้วยนะเพราะเคยอธิบายแล้วว่าเมื่อเวลาเราสะกดจิตของเราเนี่ยไม่ให้นิวรนขึ้นมาทํางานนิวรห้านี่ก็เรียนรู้แล้วก็ไม่อาการนิวรเป็นการพยาบามทีนมิตาอุตจักร กุกุดจาวิจิกิจชาอะไรนี่ไม่ให้มีกามในช่วงระยะนั้นจิตมันก็ใสและจิตมันเป็นธาตุรู้ให้มันเกิดวิตกวิจารณ์มันก็วิตกวิจารณ์มันก็คิดก็นึกมันก็ปรุงสังขารปรุงด้วยเขาถึงเรียกวิปัสนูวิปัสนู ป, ปกิเลสเขาเรียกวิปัสนูปกิเลสเขานึกว่าเนี่ยเป็นวิปัสนาแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งในความนึกคิดนั้นเฉลียวฉลาดใสจิตและยิ่งมีพลังรวมมีพลังจิตรวมรวมรวม มันยิ่งปราศจากนิวรณ์แล้วมันก็ยิ่งคิดยิ่งนึกมันก็มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลอะไรของมันซับซ้อนมากมายเพิ่มเติมขึ้นคืนคืนคืนเป็นเหตุเป็นปัจจัยรองรับมันก็ฉลาดได้ฉลาดของตัวเองคิดเองฝันเพ้อฝันเฟื่องไปเองพระวิปัสสโนปกะเลในเรื่องความรอบรู้ด้วยเฉลยฉลาดนี่ก็มีกันโอ้ฉลาดรู้ไปใหญ่เลยแต่ออกนอกเรื่อง ไม่ได้เข้าที่เ้าทางเลยมันไม่ได้ไปเข้าทฤษฎีเข้าหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าหรอกมันเป็นของตนเองแล้วเขาก็หลงกันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าช่วยอยู่ข้างในนําพาอันนี้ฟุ้งซ่านเพ้อพกไปเองนะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระพุทธเจ้าอยู่นั่นไม่ได้มีพระเจ้ามาคอยบันดาลไม่ได้มีพระเจ้ามาคอยกํากับพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครพระเจ้า บังคับให้ใครฉลาดหรือพระเจ้าจะบันดาลให้ใครฉลาดไม่ได้พระเจ้าหรือพระพุทธเจ้ายิ่งพระพุทธเจ้ายิ่งมาบันดาลให้ใครฉลาดก็ไม่ได้ผู้จะฉลาดก็ต้องเพียรศึกษาเองจะมีความฉลาดอย่างประเภทเพิ่มเติมปัญญัติปริยัตก็เพิ่มเติมความฉลาดแบบนั้นเรียกว่ามันเรียกว่าฉลาดแบบสุตมยปัญญาจะเพิ่มความฉลาดด้วยกามขบคิดปรุงสร้าง หกพันเป็นจินตามายปัญญาก็พอฉลาดไปเพิ่มได้เพิ่มสุตตมยปัญญาเพิ่มจินตามายปัญญาได้แต่ถ้าจะเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากผลในการปฏิบัติประพฤตินั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอ่เป็นเรื่องแต่สุตตามยปัญญาหรือจินตามายปัญญาเพิ่มโดยปริยัติก็ดีเพิ่มในความนึกคิดหกพันอะไรเพิ่มเติมก็ดีก็เป็นอุปการะ ช่วยในรภาวนามายปัญญาได้บ้างาได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ช่วยเสเลยก็ช่วยได้แต่ถ้าภวสุดตรงปฏิบัตินอกทางไม่ถูกทางและภาวนามายปัญญาไม่เกิดเกิดสุตตมะยปัญญาจินตามายปัญญามากๆๆ ๆ, ๆ, ๆขึ้นไปจนกลายเป็นวิปัสนูปกิเลสในเรื่องของญาณวิปัสนุปกิเลสในเรื่องของญาณแท้จริงไม่ใช่ญาณญาณญาณทัศนาวิเศษ ไม่ใช่อลมาริยญาณทัศนวิเศษที่เป็นญาณพุทธญาณหรือญาณของศาสน า, าพระพุทธเจ้าแต่เป็นญาณที่ฉลาดเฉลียวฉลาดได้มากมายได้เหมือนกันอันนี้อะไรท่านถึงเรียกว่ามันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเป็นกิเลสชนิดหนึ่งแล้วจะเป็นอัตตาแล้วยิ่งหลงพบของตัวเองยิ่งเฉลียวฉลาดยิ่งหลงมั่นใจมาใครศึกษาปริยัตมากมากสุดตรมยปัญญามากๆากันมากๆมากๆก็ยิ่งจะเฉลียวฉลาดฉลาด ยิ่งจมอัตตายิ่งจมพบจมผวังเป็นอัตตาปรโตโคโะก็ยิ่งจะไม่นับถือหรือไม่เชื่อไม่ยอมรับของคนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นเป็นปฏิปักษ์ต่อปรตโขโศกคือยิ่งไม่รับยิ่งเชื่อหัวไอเรื่องมากขึ้นฟังดีๆนะา่าจะมาไว้อธิบายก็กเป็นลําดับลําดับไปให้เห็นชัดเจนถึงคุณภาพไม่ใช่คุณภาพไม่ต้องเรียกคุณภาพเรียกว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่าประสิทธิภาพในทางเลวร้าย มันไม่ใช่คุณไม่ใช่ประโยชน์คุณค่าแต่มันเป็นตัวแรงขึ้นแรงขึ้นเรียกมันว่าประสิทธิก็ได้ประสิทธิภาพเรวร้ายยิ่งขึ้นเป็นอัตราที่ยิ่งขึ้นยิ่งเชื่อหัวไอเรื่องมีตัวอย่างในโลกในสังคมมีตัวอย่างยิ่งมีอัตตามานะยิ่งติดยึดความหลงตัวเองหลงว่าขารูขา้ข่าชลาเฉลียวแล้วมีแปลกแปลกลึกซึ้งได้มากมายนะมีแปลกแปลลึกซึ้งเฉลียวฉลา จะมีปฏิพานปัญญาแววไวหลากหลายได้จริงจริงแล้วก็ไม่ไม่เข้าเรื่องศา ส, สนาพระพุทธเจ้านั้นประโตโคสะโยนิโสมนศสิการสองตัวนี้ก่อให้เกิดสัมมาทิฐินี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เปิดหูเปิดตาจมไปในทางลือสีมากติดพบตัวเองมาก ไม่มีการที่จะคอยมาศึกษารับรู้ผู้อื่อนเพิ่มเติมส ม, มามิติไม่เกิดหรือว่าจะไม่เป็นการสร้างส ม, มาธิติยิ่งจะมิจฉามิจฉามิจฉามิจฉาทิถิลงไปเรื่อยๆตามที่พระผู้เจ้าตรัสหลักไว้ว่าประตโคลสากับสมกับโยนิโสมนสิกาเนี่ยจะเป็นตัวนําให้เกิดส ม, มาธิติยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเห็นไหมว่ามัคานแยงกับลับทธิลูสีที่สอนกันเนี่ยอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวกับใคร อย่าไปทิ้งวางไอวางประเภทมาลื้อทื่อวางประเภทพาซื้อวางประเภทซื่อบื้อวางประเภทไม่มีปัญญาวางชนิดวางไม่รับรู้ไปดือด้อจิงบางสิ่งบางอย่างเราควรจะพลากมาห่างมาหรือวางชนิดที่เราว่าห่างกันก่อนเพราะถ้าไปสัมผัสสัมพั์แล้วเราสู้ไม่ได้ เราไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีฤทธิ์ที่จะไปสู้ได้จริงๆเราจาเป็นจะต้องวางจะต้องพรากห่างจะต้องจากเหมือนพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำก่อนเพราะเราจะทำให้ไม้แห้งโดยที่เราว่ามันจุปนปนอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะทำแห้งได้ให้ไม้แห้งได้เพราะเราไม่มีฤทธิ์แรงพอเพราะเราจะต้องเอาไม้ขึ้นเออเอาไม้ขึ้นจากน้ำไม้มันก็ชุ่มด้วยยางและแถมแช่น้าอยู่เนี่ย มันยากมากก็เอาขึ้นจากน้ำก่อนทําแต่ความชุ่มที่ในเนื้อไม้ที่เรามีดูเนี่ยยาให้หมาแถมเอาของความชุ่มจากน้ามาชื้นมาเปียกมาแชายอยู่อีกมันไม่ไหวมันไม่มีเรี่ยวแรงก็จริงในฐานะของคนในระดับต้นพื้นฐานที่อินทรีย์พร ะ, ะอ่อนอย่างนี้ก็ถูกหามาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทําอย่างนี้พาซื้อตลอดกาลนานไม่ไม่ใช่ เพราะยืนยันมีการสลัดคืนมีปฏินิสักะมีการพากแล้วตอนหลังไม่ต้องพากเราก็มาเป็นธรรมดาธรรมชาตินี่ขึ้นมาจะเรียกว่าย้อนกลับสลัดคืนย้อนกลับได้เมื่อมีอินทรีย์พลาแล้วก็จะต้องย้อนกลับมาเป็นปกติตามสิ่งที่ควรเป็นควรมีไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องไปคลุกคลีทุกอย่างแต่ตามสิ่งที่ควรเป็นคมีตามสมเหมาะสมควร หลายอย่างพระพุทธเจ้าต้องออกกฎระเบียบหลายอย่างไม่ออกเลยพอรู้รู้กันอยู่โดยสามัญสำนึกว่าไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปวุ่นวายหรอกไอ้อย่างนั้นะ่ะมันหยาบมันมากเช่นจะต้องไปทดลองสูบฝิ่นจึงจะแน่ใจว่าเราจะติดฝิ่นไหมไม่ต้องจะต้องไปทดลองมีเงินร้อยล้านนะั่นถึงจะรู้ว่าเอเราจะอยู่เนื้อลาบเนื้อยกยังไม เ, เราจะต้องไปมีทดลองมีเงินสักร้อยล้านให้ได้สะกก่อน จึงจะแน่ใจว่าเราเองเราอยู่เหนือราบหรือจะต้องไปแต่งงานซะก่อนจะต้องไปสมสู่ซะก่อนไม่ได้ทดลองไม่แน่ใจจะต้องไปสมสู่ให้มันรู้ซะก่อนถึงจะรู้ว่าเราอยู่เหนือมันจริงหรือไม่ก็ไม่จําเป็นอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของสามัญสํานึกธรรมดาว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่จําเป็นจะต้องไปทดสอบทดลองแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็มาเป็นสามัญตามที่มนุษย์เป็นเป็นอยู่ สำหรับฐานะของแต่ละฐานะก็จะรู้ว่าหลายอย่างนี่เราเข้าไปไม่มีแรงที่จะเข้าไปช่วยเขาได้ถ้ามันจัดจ้านเช่นสังคมกลุ่มบางสังคมนี่แ ห, หมมีจัดจ้านโดยลาบโดยยศสูงเราเข้าไปนี่เราก็อย่าพึ่งเลยเราเข้าไปบางทีเราก็จะลําบากก็ปล่อยให้ผู้ที่มีฐานะอินทรีย์พร ะ, ะสูงก็เราเข้าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องช่วยเหลือเหมือนพระมลัยปโปรดสัตว์อย่าเหมือนพระมลัยลงไปโปรดนรก ก็ลงไปอยู่ในนรกที่แรงแรง้อนๆอนท่านทนได้ท่านก็ลงไปโปรดไปตามลําดับฐานะส่วนเราเนะีย่ยจะไปอวดดีอวดโด่วงววันักประเดี๋ยวก็จะตายในกลุมนรกนั่นแหละเราเองมันไม่แข็งแรงนะรกกินไมก่กินตายพอดนะีเพราะเราจะต้องมีฐานะที่รู้จักตัวเองอย่างดีแล้วก็พยายามพัฒนาไปและไม่ได้หมายคำว่ายึดมั่นถือมั่นอยู่ฐานะนี้เลยไม่สูงขึ้นไม่ได้ พระรุ่ยเจ้าท่านไม่เคยให้ติดแป้นเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ความหมายของมันก็หมายความว่าเราเจริญขนาดนี้ก็ไม่ใช่จะติดแป้นเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแน่นอนตายตัวไม่ใช่ต้องพัฒนาขึ้นเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวะที่สูงขึ้นเป็นอุปัติเทพที่สูงขึ้นได้เรื่อยๆคือเป็นผู้เจริญนั่นเองคาว่าเทวดาหรือคำว่าเทพเจ้านี่ต้องเข้าใจตัวจิตวิญญาณมันเป็นตัวจิตวิญญาณเจริญจิตวิญญาณของเรานี่แหละเป็นเทวดาแท้ๆต้องเข้าใจเทวดาจริงเทวดาปลอม เทวดาสมมติก็เทวดาแท้ให้ได้เทวดาที่จริงโดยลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้วก็คืออริยคุณนั่นเองจิตวิญญาณเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จเจริญขึ้นอินทรีย์พละแก่กล้าขึ้นมีอินทรีห้าพละหสูงอยู่ในโลกียะเหนือโลกียะและเป็นประโยชน์ต่อโลกียะเกื้อกูลอนุเคราะห์โลกียะหรือชาวสังคมมนุษย์โลกเขาได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะเรารู้เท่าทันสมมติสัจจะ รู้เต่าทันโลกมีโลกาวีทูมีพระหุสูตรที่แท้จริงรู้เต่าทันโลกแล้วก็เราก็ช่วยโลกเขาได้จริงๆศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่มีประโยชน์ตนแล้วต้องเป็นประโยชน์ท่านถ้ามีประโยชน์ตนจะถ่ายเดียวมรษสีนั้นไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าจริงๆศาสนาพระพุทธเจ้าจะต้องมีนัยยะมีประโยชน์ตนและจะเป็นประโยชน์ท่าน จริญขึ้นจริงตามคุณภาพตามฐานะของพระอริยะนั้นๆๆๆ น, น, น, นจริงนี่เป็นทฤษฎีหลักๆของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นการรับรู้โลกภายนอกโดยการเปิดจิตเปิดใจตามฐานะถ้ามากเกินไปเราไปรับรู้มากๆฟุ้งซ่านมากอยากจะกว้างไปเรื่อยๆแม้เป็นเ ป, ปมหายาณ อยากจะช่วยเขาอยากจะรับรู้โลกให้กว้างใหอะไรๆมากๆมากไปแล้วเสร็จแล้วแรงเราอินทรีย์เรานี่มันไม่ไหวมันฟุ้งซ่านจะทำอะไรตอนไหนก็จะมากไปกว้างไปขยายเรื่อยๆเรื ๆ, ๆ, ๆพลาประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นมากลงในประโยชน์ผู้อื่นมากมันคานแยง้งคำเตือนคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าอย่าพราประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มาก มาเขาว่าประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยโอ้โหประโยชน์มากนะเนี่ยเอาแล้วเสียสละประโยชน์ตนไม่ได้ไม่ควรในควรนี่เป็นหลักเกณฑ์ของพระเจ้าตัดไว้ยืนยันไว้อย่าพราดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากเพราะฉะนั้นไอ้มากมากประโยชน์ผู้อื่นมากมันล่อเราด้เราก็จะบอกว่าเราเสียสละเราเสียสละช่าบันเทอเราเอาไว้ก่อนประโยชน์ตนยังไม่เป็นอรหันต์แบบมหายาณพิฆพุนนะเราไม่เอาอรหันต์มหาญาณสุดตรงที่จริง บอกแล้วว่ามหายานก็ตามเทระวัตก็ตามอรหันกับโพธิสัตว์ไม่ได้คานแยงกันมีไปได้กันได้แน่แน่แท้ๆเลยอรหัตผลนี่ไล่เลียงสร้างสรรค์ขึ้นไปตามที่อาตมาเคยบรรยายไว้ม า, ม า, ม, ามากมายแล้วพรัตพุทธใดที่ได้ปรตโตโคศัพท์ไปตามลําดับตามฐานะของตนเขาตนคือรับรู้โลกรับสัมสัตว์รับ ส, สัมผัสรับเรียนรู้รับเกี่ยวข้องเปิดไปเรื่อยๆนะตามฐานะไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ เราจะเกิดโยนิโสคือความท่องแท้ความแยบคายความละเอียดประนีตลึกซึ้งซ้อนซๆอน อ, นอนพร้อมกันนั้นเราก็จะมณสิการเราจะทำใจในใจก็คือการปฏิบัติธรรมขั้นปรมาสนั่นเองเพราะสมมติสัจจะประตโตโคลสานี่คือสมมติสัจจะเพราะสมมติสัจจะเกื้อกูลปรมาธสัจจ เมื่อปรมาทิตสัจจะจิตวิญญาณของเราสูงขึ้นสูงขึ้นก็ไปเกื้อกูลปรตโตโคษาไปเกื้อกูเพื่อกูลสมุติสัจจะเกื้อกูลผู้อื่นประโยชน์ผู้อื่นได้มากขึ้นมากขึ้นประโยชน์ผู้อื่นได้มากขึ้นเราแข็งแรงรอบรู้และเราก็เจริญคือแข็งแรงบรรลุธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและเราก็รู้ผู้อื่นได้มากขึ้นเราก็ได้บทฝึกหัดได้ปฏิบัติประพฤติจากความจริงเหล่านั้นเป็นของจริง เมื่อปฏิบัติได้จริงเราก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นรับประโยชน์ปรมัตสัจจะสอดซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆปรมัตเประโยชน์ปรมัตสัจจะสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งเปิดกว้างมีปรตโตโคสาวได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราก็จะเกิดเจริญโยนิโสมนัสิการความท่องแท้แยบคลายประณีตสุขุมอะไรก็ลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นยิ่งมากชั้นมากเชิง สัพพุริสธรรมเจ็ประการก็ยิ่งเจริญเจริญเจริญขึ้นประมัตถก็ยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่อเจริญขึ้นไปตามสอดซ้อนลึกขึ้นลึกขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ช้าคนที่โน่นช้านี่เพราะตกพบเพราะมีแต่อัตตาดูถูกข้างนอกดูถูกภายนอกผิดฐานผิดสภาวะผิดฐานะของตน ไม่มัชชิมาปฏิปทาไม่เกิดสัมมาทิฏฐิอย่างสมบูรณ์เพราะมันเอียงโตมาข้างอัตตามากเมื่อเอียงโตมาข้างอัตตามากอยู่ในพกของตัเองมากไม่ได้สัสดส่วนตัวเองก็เนิ่นช้านเนิ่นช้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาช่วยขัดเกลาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาช่วยให้เราเองได้รับของแท้ได้รับบทฝึกขัดได้รับตัวปฏิบัติที่แท้แต่ถ้าใครไม่ ใจกว้างใจเร็วใจแรงบื้อหวาออกนอกมากเกินไปประโตกโสมากไปไม่โยนิสโสมนสิการไม่ท่องแทไม่แยกคายหยาบหยาบตัวเองก็ไม่เท่าไม่ทันตัวเองก็ไม่ละเอียดถูกสัดถูกส่วนตัวเองก็เลอะเบลอผิดพลาดตกต่าเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงโยนิสโสมนัสิการ บางทีทำใจในใจตัวเองไม่ได้เลยกลายเป็นเรื่องแต่จะช่วยตัวคนอื่นไปได้รู้โลกขกว้างขวางมากมายอะไรต่อไรโอ้ใจดุ้ใจแรงไปแล้วเคยพูดเคยบอกว่าอาตมานี่ยิงนะยิงในตัวเองมากโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็ยิงในศาสนามากกว่าอะไรไม่ต้องการที่จะเอาอํานาจอื่นมาแฝงผลเพื่อที่จะชูศาสนาอาตมาว่าศาสนาพึ่งตนเองไม่ได้ศาสนาไม่มีริดเด็กของตัวเองเอ ก็อย่าไม่มีเลยมันควรจะมีฤทธิ์ของตัวมันเองมันมีคุณภาพของตัวมันเองมีประสิทธิภาพของตัวมันเองศาสนามาเป็นเอียดอัตติอัตโนนาโถศาสนาพึ่งตนศาสนาที่จะเจริญไปได้หรือคนจะยอมรับก็บเพราะตัวเองไม่ใช่มาอิงทำไม่ใช่มาอิงการเมืองไม่ใช่มาอิงทรัพย์สินคารไม่ใช่มาอิงลาบยศไม่ใช่มาอิงโล ก, กีเฮ้ยมันไม่บริสุทธิม์มาอิงลาบยศสันเซโล ก, กียสุขมาทําอะไร ไม่ต้องอิ่งให้มันเพียวๆห้บริสุทธิ์ไปนะ่ะมันหน้าภาคภูมิใจมากกว่าไหมคนที่โง่ที่สุดช่วยตอบด้วยเถอะที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยร้องโทเอ๋ยอย่างปานามาซะเลยใช่ไหมอัตามาีิประโตโคสะ โทษเอ้ยมันฮิตกัตมาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ปรจโตโกสะนะต้องรับรู้ส่วนนอกส่วนอะไรเพราะไม่ได้อยู่ในภพในอะไรแต่ไรและสิ่งเหล่านี้เราจะใช้หรือไม่ใช้บางครั้งบางคราวเอามาใช้มันก็ไดเรื่องมาได้ประโยชน์บางเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปติดไปยึดอะไรหรอกบางอย่างเอามาใช้เราเสียหายเราจะต้องมีปัญญารู้ว่าไอ้นี่นะโลกเขานิยมแล้วเนี่นปรุงแต่งมาแล้วนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเอามาใช้เราพังเลยนะก็เราก็ไม่ใช้ อันนี้มาใช้หน่อยเป็นน้ำกระใสหรือนิด ห, หน่อยใช้แล้วก็มีประโยชน์บ้างก็เราก็ต้องเอานะเพราะทุกอย่างเป็นสมมุติสัจจะต้องพยายามเข้าใจสมมติสัจจะให้ดี<ม>คำว่าสมมติสัจจนี่คือสิ่งที่ยังมีอยู่ปรมาตย์สัจจะนั้นหมายเอากิเลสในจิตในเจตสิกเพราะฉะนั้นรู้เรารู้จิตรู้เจตสิกและโดยเฉพาะวิจยัยกิเลสในจิตในเจตสิกออก เห็นรู้จริงเลยนะั่นคือสิ่งที่ถูกรู้เราเรียกว่ารูปแล้วล้างกิกเลสนั้นได้เราเรียกว่าวิราคะจางคลายจนไปถึงนิพพานวิราคะจนถึงวิมุตต์นี่คือประมัติส่วนที่ยังมีอยู่แม้พระอาหารหันต์มีอะไรอยู่ก็รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็สร้างดีพระอาหารหันต์ก็สร้างดีสร้างสมมุติทสัจจะช่วยส่งเสริมช่วยสร้างสิ่งดีแต่ไม่ได้เพื่อของตัวของตนไม่ได้เป็นกิเลส อัตตามาณอัตตนิยาอะไรไม่มีพระอรหันต์นี่ถือว่าไม่มีไม่มีจริงๆแล้วท่านก็ไม่ทําเพื่อตัวเพื่อตนเลยแต่ท่านทําอยู่ด้วยสมมุติสัจจะพระอรหันต์เจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ตายพระอรหันต์เจ้าพอจบสนิทเป็นพระอรหันต์แล้วเสร็จท่านไม่เกี่ยวเลยกับปรมาิตยสัจจะท่านเกี่ยวแต่สมมุติสัจจะทั้งดุนเลยเดี๋ยวท่านก็จะประมาณสมุติสัจจะทั้งนั้นอยู่กับสมมุติสัจจะ ส, าาส่วปรมาทสัจจะเลิกจบจบกิจศูนย์หมดเที่ยงแท้ด้วยพระอรหันต์ในเที่ยงแท้ด้วยถ้าลงกิเลสได้ดับสนิทศูนย์หมดแล้วเลิกจบกิจเลยเป็นอันว่าไม่ต้องทําอะไรอีกไม่ต้องศึกษาไม่ต้องภาคพียนไม่เวชว่าเรื่องกิเลสหมดนี่จบจริงๆปริยัตศึกษาปริยัตปฏิบัติศึกษาปฏิบัติก็ไม่ต้องทำเพราะปฏิเวสสมบูรณ์และจบกิจแล้วเพราะฉนั้นพระอรหันต์จะไม่ต้องศึกษาอีกเลยในเรื่องปรมาทสัจจะจบศูนย์เลิก เพียงแท้ทาวรแน่นอนเป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลไม่แปรปลวนไม่เป็นอื่นอีกเลยจะอยู่กับสมมติสัจจะเท่านั้นพระอรหันจะเรียนรู้โลกวิทูพระหูสูเรียนรู้อื่นๆที่เป็นปรโตโคโศไปเลยได้ว่าพบตัวเองไม่มีเลยไม่มีอัตอัตมันไม่มีพบตัวเองเลยไม่มีอ ไม่ทำอะไรบำเรอพบตัวเองเลยหมดตัวตนนั่นเองหมดตัวตนมีแต่จะเกื้อกูลผู้อื่นช่วยผู้อื่นมีการศึกษาในผู้อื่นทั้งนั้นและนสำคัญะจะอยู่เย็นเป็นสุขกันก็พระอาราหันต์เจ้านี่ศึกษาสมมติสัจจะแล้วก็ช่วยเกื้อกูลสร้างสรรค์ให้แก่สมมติสัจจะ ก็มีคุณค่าจึงเรียกว่าโลกาธุกรรมปายะเป็นที่พึ่งถ้าเป็นอรหันตตสัมมาสพุทธเจ้าก็สุดยอดแห่งที่พึ่งของโลกเป็นพระนาฏเป็นนาพระโลกนาฏเป็นพระโลกนาฏเป็นที่พึ่งของโลกที่แท้จริงเลยพระอรหันต์เจ้าก็เป็นที่พึ่งของโลกน้อยนอยตามฐานะท่านท่านให้ช่วยโลกในน้อยก็เป็นน้อยน้อยท่านช่วยโลกได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ถึงอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าสุดยอดของมนุษย์ละ่ะก็ไปตามลำดับอย่างนั้ น, นเพราะาศาสนาพระเจ้าจะดูถูกสมมุติสัจจะไม่ได้เลยคนไม่มีปรตโตโศะไม่เรียนรู้ภายนอกไม่พยายามศึกษาภายนอกไม่พยายามเข้าใจในสิ่งอื่นรับรู้สิ่งอื่นประมาณกับสิ่งอื่นเขาศึกษากับสิ่งอื่นเขา เป็นคนที่อยู่ในพบตัวเองตัวเองตัวเองตัวเองตัวเองตัวเอ ง, เอ ง, เองแล้วแล้วก็ผู้นี้ไม่มีโอกาสจะได้เป็นาารพระอรหันเขายืนยันอัตตาจมดิ่งอยู่อย่างนั้นน่ยศาสนาฤาษีทั้งหลายแหลอยู่ในสูตรของอาตมันหรือจมไม่อัตตาทั้งสิ้นาศาสนาฤาษีที่นั่งสะกดจิตหลับตาแล้วก็ทิ้งโลกไม่หลุดพ้นโลกมาด้วยความหมายง่ายๆ ฉันไม่เอาแล้วลาบฉันก็ไม่เอายอก็จะไม่เอาไิบยุ่งเกี่ยวไม่รับรู้ไม่อะไรไดเลยนี่อัตตาอัตตาอัตมาตมันเป็นปรมาตมันคือเป็นอัตตาที่มหาอัตตาอัตตาที่ยิ่งใหญ่บรมเนี่ยปรมาตปรมาตมันก็คือปรมาอบรมนี่แหละบรมอัตตาเรียกว่าบรมอัตตาเนี่ยคืออัตตาที่ยิ่งใหญ่อัตตาที่ยิ่งมากยิงเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่า อาตมาจึงเอานำมาพูดกับพวกเรานำมาขยายความกับพวกเราให้พยายามศึกษาดีๆแล้วเราไม่รู้ตัวง่ายๆอาตมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่รู้ตัวง่ายๆนะว่าเราจะตกพบของเราก็เห็นแต่พบของเราแล้วก็ไม่เอาของคนอื่นเราจะเอาแต่เรื่องอย่าว่าแต่แค่ว่าเราจะทำงานเนี่ยเพื่อคนอื่นอยู่ก็ตามแต่ทำงานอยู่ในใจที่แคบหรือทำงานอยู่แต่ในแวดวงของตนเอง พิจารณาแต่งงานของตอนเองมันก็เจริญงานนั่นเหมือนกันแต่มันก็แคบมันไม่เรียกว่าประโตโคลส์มันไม่เรียกว่ามันมีการกว้างขึ้นขยายอะไรขึ้นสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรอื่นๆมากขึ้นในชีว่าวิทยาง่ายๆในนี้นะถ้าตระกูลเดียวกันนี่สมสู่แพร่พันุ์ต่อเนื่องเชื้อชาติแต่ตระกูลเดียวกันเนี่เป็ น, นยังไงในแพทย์เป็นไง ก็มีแต่ทุดลงเสื่อมลงง่ลงพันเสียลงไปเท่านั้นเองเรวร้ายลงไปแต่ถ้าได้ผสมกับพันธ์ใหม่มีอะไรแต่ใดกว้างขึ้นกว้างขึ้นพัน์นั้นจะเจริญฉเฉลียวฉลาดงอกงามดำดา บ, ดบหลักชีววิทยาของรูปธรรมง่ายๆเหมือนกันธรรมะก็เหมือนกัน ถ้าได้ผสมพันธ์หรือว่าได้รับอะไรอื่นเดี๋ยวปะโตปะโตโคลสานได้อะไรอื่นก็มาผสมส่วนผสมอะไระอะไรมากขึ้นรับสัดส่วนมาได้ตามสัดส่วนแล้วก็มาใช้มาเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพัฒนาได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ถูกสัดส่วนอย่างดีจเจริญงอกงามขึ้นได้เรื่อยๆเรยหมือนกันทางวิญญาณเหมือนกันทางจิตวิญ ญ, ญาณเหมือนกันทางรูปธรรมวัตถุธรรมเหมือนกันเหมือนกัน แต่ต้องมีสัดส่วนนะมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าได้ขนาดพอเหมาะพอสมนะอย่าไปอันนี้สําคัญมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าได้ขนาดได้สัดได้ส่วนนี่มันเป็นเรื่องสําคัญทั้งนั้นแหละแม้แต่ในทางโลกเขาก็สําคัญในทางโลกก็สําคัญในทางธรรมก็สําคัญเหมือนกันแต่มันลึกซึ้งตรงที่ทางธรรมนี่มันมีรายละเอียดของนามธรรมาของจิตวิญญาณอะไรต่ออะที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากมาย เดอะตามาอธิบายหยิบออกรูปธรรมเอาชีวะวิทยาอาาะไรต่ไรพวกนี้มาประกอบหลักฐานความรู้ทั้งโลกเขามาประกอบยืนยันมันสอดคล้องกันใช่ไหมที่อะตมายหยิบมาอธิบายเนี่ยมันทําให้เข้าใจได้ดีขึ้นด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันด้วยในหลักการลึกๆในหลักการสุดๆเนี่ยหลักการสูงๆเนี่ยหรือว่าสัจจะด้วยสัจจะสูงๆเนีย่ ย, ยมันไม่ขัดแย้งกันหรอกอสัจจะสูงๆมันมันมันสอดคล้องกันได้ เพรา ะ, ะนั้นเราต้องคำนึงถึงปรตโรกศลกันให้ดีๆและรู้ตัวรู้ตนให้ดีๆว่าเราจมในอัตตาเราหลงพบตกพบหลงแต่ใน้วังของตนเองในส่วนที่เป็นอัตตาหรืออัตนิยาตัวกูแล้วก็ของกูอยู่แค่นี้ไม่ขยายพันธุ์ไม่รับอันอื่นอันอื่นไม่รู้ดีไม่เห็นอะไรอื่นดีนอกจากของกูดี มันหลงจริงๆแล้วมันไม่เจริญจริงๆเหมือนในกระลาตะกระลาครอบกลบกบในกระลาครอบมันก็จะมีแค่นั้นจะปรุงเท่าไรเท่าไรมันก็เท่าที่เอตัวเองมีนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากผู้ใดมีกรรมมีวิบากเป็นมดรดกของตนของตนและจะไปเอาอะไรมาจากไหนอีก อย่างเก่งก็ย้อนเอากรรมเก่าวิบากเก่าที่ลึกซึ้งที่อะไรอไรมาปรุงมาเสริมมาสร้างได้เท่านั้นไม่มีอะไรงอกอะไรใหม่ไม่มีกรรมไม่มีวิบากใหม่ไม่มีโลกวิถีไม่มีพระคูณสูตรใหม่อะไรอื่นใหม่ๆซึ่งไม่ใช่ของเรามันจมอยู่ในของเราเท่านั้นจะอย่างมากกา็มากกบเป็นสมบัติวิบากกรรมมรดกของตนเองเท่านั้นเองจะเป็นความรู้จะเป็นสัจจะ ที่ไปกรรมบีบบากที่ตนเองได้สัจจะได้ความรู้ได้คุณค่าคุณธรรมอะไรของตอนเองมามันก็แค่ของตอนเองเพราะเราไม่รับอะไรอื่นจากอื่นมันจะมายัางไงได้มันแปลงตัวหายตัวอะไรเข้ามาได้ยังไงฟังดีๆเห็นไหมฟังดีๆดูดีๆมันก็ได้แต่ของตัวเท่านั้นแหละสูงขึ้นมากขึ้นได้เท่าที่เราเองอยังเอาของเก่าของเราขึ้นมาใช้มันไม่เจริญ ไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาผสมผสานไม่มีของที่อื่นอันอื่นมาลันก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นของเก่าเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาขุดเอาของเก่ามาใช้ได้ด้วยรับใหม่มาด้วยผสมผสานไปให้ได้สัตว์ได้ส่วนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเราก็จะเจริญงอกงามไปได้อย่างดีไม่ช้าและจะถึงที่สุดในความเป็นจริงได้นะ แม้เรื่องบทประโตโคสนี้จะสำคัญจะเกิดความแยบคายความถ่องแท้จะเกิดพลังในการรรมณสิกานได้อย่างจริงๆเลยนะได้สูงขึ้นไปจริงๆนะเพราะงั้นก็ขอกำชับกำชากันว่าพวกเราอย่างไงยังไงก็นะได้ศึกษากันมาหลายผู้หลายคนก็มีประโยชน์มีคุณค่านะตัวเองก็ได้รับ การเจริญได้รับฐานะที่ดีขึ้นมาอย่าติดแป้นอย่าหลงในพบอย่าหลงในอัตตาง่ายๆนะพราะเราจะดึงดึงกันอยู่บ้างเหมือนกันในเรื่องที่จะผวาออกไปอาขาผวาปีกออกไปในเรื่องข้างนอกนะปรโตโคโศมากไปมเอเถอะเอาเรื่องอื่นของผู้อื่นอะไรพลาประโยชน์ตนเป็นหลงประโยชน์ผู้อื่นแม่มาก หรือแม้น้อยก็ตามไม่ต้องแม้มากเราไปยงประโยชน์ไปยงประโยชน์ผือไปไปหลงประโยชน์ผู้อื่นแม่น้อยแท้ๆก็ยังอุตสาห์ไปหลงประโยชน์ผู้อื่นคํานวณไม่เป็นเราก็ติงเตือนกันอยู่แต่ไอตัวพบตัวอัตตาอัตนิยาตัวที่เรามันจมอยู่แต่ในเรี่ยวในรูของตัวเองนี่อันนี้พยายามให้ตรวจสอบมากๆไม่เช่นนั้นมันเพลินนะ มันบอกก็ดีนี่นะเราได้ขนาดนี้ก็สงบดีนี่นะเราจะไปกระตือรือร้นอะไรมากมายนักะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นกิเลสนะอยากช่วยคนอื่นมากไปอะไรต่างๆนัานาอยู่ขนาดนี้ก็พอแล้วนะสันโดษนะมันไม่เจริญเนี่ยมันเอพระเจ้าท่านไม่เคยให้สันโดษในกุศลนะนี่มันคานแยงอะเห็นมันซอนลึกท่านไม่ให้สันโดษในกุศลท่านให้ศึกษาเพราะฉะนั้นตาพูได้เข้าใจว่าไม่ให้สันโดษในกุศล เอามาเตือนตัวเอามาเตือนตนเองแล้วก็อย่าให้ประโตโคโะนี้ตกต่ําอย่าให้ประโตโคโะตกต่ําฟังความหมายนี่ชัดไหมคือเราจะต้องเรียนรู้การรั่วรอบรู้ไปหาที่อื่นหรือว่ า, วากว้างขวางขึ้นด้วยพอสมควรตอนนี้ที่จริงนโะยบายตอนนี้อาตมานี่ไม่ให้ไม่ให้แพร่ไปข้างนอกมาก นโยบายไม่ให้แพร่ข้านอกมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในในพบเราจะตกอยู่แต่ในตัวกูของกูเท่า น, นั้นไม่ใช่ให้ดูออกมาจากนอกตัวเราแม้ในเพื่อนของเราในนี้ก็มากหลากหลายอยู่แล้วไม่ต้องไปออกกว้างขวางกว้างไกลกว้างอะไรออกไปมากเกินการไกลเกินการอยู่ในหมู่พวกเรานี่แหละเนื้อในเนื้อในนี่แหละเราออกจากพบของตัวเราที่มันแคบเพิ่มขึ้นมาจากเพื่อนข้างๆนสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ย ก็เท่านี้ก็ได้แล้วอยู่ในความหมายว่าเราเน้นในอยู่ในความหมายว่าเน้นเนื้อให้เหนือก่อมากเน้นลากไม่ยากกว่าแรนเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแคนเน้นแก่นให้แน่นกว่ากวา้างอยู่ในเนื้อหานี้อยู่แล้วอยู่ในเนื้อหานี้เพราะว่าเราจะต้องดูแม้แต่พวกเราก็สัมผัสสัมพันธ์กันเกื้อกูลกันเรียนรู้กันรับซับราบกันเพิ่มขึ้น มันก็จะได้มีบทฝึกขัดมีโจทย์ในพวกเรากระเด้งนี่แหละจะมีโจทย์จะมีแบบฝึกขัดอะไรอะไกับพวกเราเนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นการพัฒนาเนื้อนในไม่ใช่เนื้อนอกขอยืนยันอีกทีหนึง่งไม่ต้องไปอาขาภาวะปีกให้นอกให้กว้างให้ใหญ่จะต้องรู้ราวฟูฟ้ากว้างขวางช่วยผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้หรอกไม่ต้องผู้ที่เขามีการศึกษาสแสวงหาเขาเข้ามาเองโดยเราไม่ต้องไปเผยแพร่ข้างนอก ไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปตีคองร้องเปล่าอะไรตอนนี้เราก็มีมีลูกค้าอยู่พอสมควรแม้แต่ในพวกเราเากันเองก็ยังมีฐานที่จะช่วยกันจะศึกษากันและกันสอนอยู่ข้างในนี้อีกต้องเยอะต้องแยะที่เราจะเรียนรู้กันและกันพยายามที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาเพื่อนฝูงด้วยกันแค่นี้เกื้อกูลกันในแค่นี้ก็มีตั้งเยอะที่ให้เราทําไม่ต้องไปไกลไกลไกลๆกลกว้างไปมากมายอะไรอะ 阿 า, าก็คิดว่ า, าอาตมาได้พยายามขยายความให้ลึกในเรื่องปรโตโคโศกกับโยนิโสมมนิสิการอาพอสมควรพราในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ในขณะนี้จะเป็นเรื่องในปัจจุบันการเป็นเรื่อง เ, อเหตุเฉพาะหน้าหรือเรื่องที่ทำอยู่ประจำที่เรายังทำอยู่นี่ก็ให้ตรวจตร า, าเหตุการณ์มาเฉพาะหน้าเดี๋ยวเราจะไปทำได้มากมายแค่ไหนหรือว่าเรื่องประจาอยู่นี่เราติดยึดเกินไป โดยไม่ขยับขยายไม่มีประตโคสะจมอยู่แต่ในนี้หรือว่าเอาแต่ตัวกูของกูอยู่ยังไงแค่ไหนตัวตราดูดีๆนะแล้พยายามเพิ่มพยายามขยายไปให้พอได้ไม่เช่นนั้นมันจมอัตตาจมพบจมอัตตานิยาจมอยู่แต่ตัวเองกลายเป็นสภาพที่ไม่โยนิโสมนัสการไม่แยบคายไม่ท่องแท้ไม่เกิดสัจจดตัวจริง เพราะมันไม่เป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิเจ้ที่ตัวจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมันอยู่เท่าเก่าทิฏฐิก็เท่าเก่ามันไม่จเจริญด้วยทิฏฐิด้วยมันไม่เกิดสัมมาทิฏฐิที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะรังก์ก็ขอให้พวกเราได้ตรวจตราและพยายามศึกษากันดีๆและพยายามขยับขยายขึ้นเท่าที่ตั ว, ตวเองจะทําได้อย่าอาขาภาวะปีกหรือว่าใจใหญ่ใจแรงไฟแรงเกินไปเกินฐานะตัวเอง ต้องดูตนตรวจตนมีอัตตัญญุตาให้ดีอัตตัญญุตาคือดูตัวเองว่าเราจะขยายได้แค่ไหนแง่ไหนเชิงไหนให้ไหนผมบอกาะสมอย่าอาขาภาวะปีกเกินตัวถ้าเผื่อว่าเราจมอยู่กับพบกันมันมันน้อยไปมันไม่เจริญมันมันสัโดดมันมันสัโดดไม่ใช่สัโดดหรอกมันมันน้อยไปมันสัโดดในกุศลน่ะเชิงวิจาจะไม่ส่งเสริมคนสัโดษในกุศลเราจะต้อง จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไม่มีที่หยุดต้องจเจริญยิ่งจเจริญยิ่งอยู่ไม่มีที่จบท่านไม่สันเสริญคนหยุดอยู่คนติดแป้นเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ไม่พัฒนาให้เป็นเทพเจ้าที่จเจริญขึ้นกว่าเก่าท่านไม่สันเสริญอาตมาเอาอคําตรัสพระเจ้าหลักเกณฑ์ต่างๆพวกนี้มามากมายเอามาประกอบยืนยันเป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเช่นนี้เอามาขยายความกันแล้วจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องกัน มันไปได้กันมันไม่ขัดแย้งกันบางอย่างดูเหมือนขัดแย้งแต่ในแนวลึกแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งมันสอดคล้องส่งเสริมสนับสนุนไม่ได้ทำลายกันเลยจะทาลายก็ทำลายในส่วนที่ไม่ดีแต่ตัวดีนั่นมันสอดคล้องถูกทิศถูกทางตรงทางยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ได้เลวลงเลยนะอละสหรับวันนี้อาตมาก็ขอสแสดงเทศนาแต่เพียงเท่านี้